ใครจะเป็นนักปฏิบัติเก่าก็ดีนะเป็นนักปฏิบัติใหม่ก็ดีเป็นเด็กก็ดีนะครับทเป็นผู้ปูิบัติเตอก็ดีสนะิ่งที่เรามีเหมือนกันคือมีกายมีใจนะมีการมีความสุขมีความทุกข์เหมือนกอันกนะค มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลาดพลาดสูญเสียมีการเจอสิ่งที่มไม่ไม่อยากเจอนะยากได้บางอางก็ไม่อยากได้นะมีเ ม, มือนกันไม่ว่าเราจะเป็นใครนะก็มีเห ม, มือนกันแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้คืออะไ ร, ระไสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆคืออะไร มีจะได้เป็นติทานก็ได้นะเป็นเรื่องเขาเล่าก็ได้มีเรื่องหนึ่งพระดวงตาเรื่องหนึ่งนะกําลังศึกษาเรื่องเกยวกับใบยาวพัจกตรของวัดเรื่อนเกี่ยวกับการปรับปรุงร้านสราดําใหม่เพราะว่าสลาดําเก่านี่เก่าชำรุดสูญเลี่ยนแล้วเขากุ่มกับใายาวพิจิตรของวัด อภิษฎ ก, ก็มีอเศรษฐีคนหนึ่งก็แบกอพา ม, มาเขาก็มาทา่องเวรที่ตรงตุติดหลงตาบอดีก็เยอะตามคนต้องมาท่างเวเศรษฐีปรากฏว่มามีเทวดาคนหนึ่ง น, น ะ, ะมาจากไหนก็ไม่รู้นะอมาแล้วก็มาถามว่าถามทุก ตามทุกคนเลยหละนะถ้ามีของให้เลือกนะตามอย่างนะท่านท่านใดจะเลือกติไหนระหว่างเงินสิบล้านระหว่างนะร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ระว่างความสุขในชีวิตจะเลือกอะไรถ้าเราถูกถามเราจะเลือกอะไระเลือกอะไร ใครเลือกความสุขลเลือกมือใครเรืก่างกายที่แข็งแรงใครเลือกเงินพิการลกมีไม่มีใครที่อยเป็ไม่มีใครเรือกใช่ไหมเสร็จทีก็มีสอบกันควันหมือกันนะผมเลือกความสุขครับน อยากได้ความสุขเทวดาช่วยหน่อย อ, อยากมีความสุขวัยยาวะเจีกรของวัดก็แก่แล้วร่างกายจะไม่ค่อยสบายผมขอเลือร่างกายแข็งแรงเป็น่มอิกทักได้ไหมครับเก่วกับดงตาเลืออะไรดวงตาได้เหนึ่งพิลันเต็มที เศรษฐีก็มันหลงตาบวชมาตั้งนานยังเห็นเงินเงินอยูนะ่ไปยาววัดกรมา ก, ก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่มีความเห็นคนคะ น, นไม่ได้การนะติดตามนั่งพูดไม่แสดงความเห็นอะไรแต่พอหลนตายเห็นเสรษฐี้วาทำหน้าแบบโมตตาหน้าหนี้มืนดูุูหน้าตาตลอก็ตาโลกแบนนบเตยเตยนะ คนเรานะขาดกลิ่นไห น, นก็ต้องการกินนั้นแหละเศรษฐีนะขาดความสุขก็ต้องการความสุขส่วนดวงตาภาวนาอยู่เป็นประจำส่วนล้มไส้ท่าอยู่เปนประจำมีควา ม, วนานววาวมสุขอยู่แล้วนในชีวิตของของนักข่วชีวตของการปฏิบัติก็มไม่ได้รู้สึกว่าเป็นขาดความสุขแต่อาจจะขาดเงินเพื่อจะไป สร้างตาราถ้ามันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าคือถ้าเขาให้นะก็เอาไม่เอาไม่ให้ก็ไม่เอาแต่ความสุขคือสิ่งที่สงตามไม่ผ่าดเพราะว่าความสุขเนีป็นสิ่งที่ท่านสร้างได้ที่ท่า น, า ม, าน ม, มีจากการที่เราต้องปฏิบัติธรรมถือเป็นประจาอยู่แล้วเพิ่งเศรษฐีนะ่ะมีเงินเยอะแต่สิ่ที่ขาดคือคือความสุขเท่านั้น อันนี้คือก็ลองพิจารณาดูนะมาว่าก็มันก็เป็นแง่คิดที่ดีว่าบางทีคนเราพอขาดสิ่งไหนเราก็คิดว่าเราจะต้องหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มให้กับชีวิตเรานะคนก็เลยพยายามแต่ทำทุกวิถีทางที่จะให้เรามีความสุขควนะามสุขนะหลายคนก็คงหาทุกวิถีทางแล้วเนาะ ไปกิงไปเที่ยวไปหาของที่คิดว่ามันจะเติมเป็นชีวิตเราให้มีความสุขมากขึ้นแต่ความสุขพวนั้นมันก็เดี๋ยวกระดาบความสุขจากการที่เราใช้จ่ายเงินทองตนารซื้อมาหรือความสุขจากประสบการณ์ที่แตกใหม่ที่ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ได้ ไปสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกใหม่ในตามแดงความสุขพนั้นมันก็เกิดขึ้นชั่อขนานแต่ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงตัวอย่างหาความสุขหลายคนมาที่นี่ก็พยายามจะหาความสุขยกอมมีไปเมื่อไรเจะบเจ็ม่่อยสุเมื่อไร่จะสมบูรสักทีเดินจำเปนก็เหมือนกันความสุขอีู่ข้างใน ความสงบที่ที่ไหนบรเนินธรรมอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่ไหนดีนะพระทุกไหนดีวัดไหนดีนะไปเป็นไปทาบุญไปฟังธรรมแต่ไม่ค่ออยากปฏิบัติธรรมไปทาบุญหวังว่าอัวอาจารย์จะพูดทักประโยคหนึ่งสอะโยกแล้วเราจะไปรู้ธรรมเหมือนทำไมพุทธการเพราะคนส่วนใหญ่แบบนี้ ชอบทางลัดนะชอบความสุขง่ายๆชอบการเข้าใจมแบบง่ายๆมันก็เข้าใจนะโดยภาษาบางทีก็พูดก็ไม่ได้ยากเกินไปอาจจะมีบางคงบางตับบางประโยคที่อาจจะยากบ้างหรือคือว่าแต่โดยภาษาเนี่ยว่าพวกเราโชคดีเราเป็นคนไทยเราพอจะมีพื้นฐานการเข้าใจใน ในขั้พู้ที่ครูบาอาจารย์จะสือ่อความหมายออกมาแม้เราส่วนบุญแปลออกมาแล้วอาจจะบางตับบางประโยคน์อาจจะอาจจะยากเนี่ยแต่ก็มีพระท่านอธิบายให้เราเข้าใจถ้าเราเรียนสักเย่าไหรนึ่งเราก็จะเข้าใจประมาณเลไ ม, ม่ยากหรอกแต่ธรรมะมันยากคนงที่มันไม่ได้เข้าใจด้วยกันด้วยการจําแล้วก็มันไม่ได้เข้าใจด้วยการที่เราคิดได้ มันทีเราจะนักจะใช้ตับบกหลัเหตุผลดักตา่ตางๆทํามาเอามาสอตัวเอง่ะเหมือนแลวลาโกรธโกรไม่ดีนะอายาพาดีกว่าแล้วนะั้นเวลาเราโรคเราอยากได้ เ, าเาาราเ ก, ก็เอามาเอาธรรมะมาเกลืนตัวเองมาสอนตัวเองมันก็ดีในระดับนึงดีในระดับหนึ่ง แตนะ่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยได้ผบางครั้งสอนตัวเองเท่าไรนะ่ะมันก็ไม่เชื่อจนะห้ามความคิดห้ามอารมณ์เท่าไหรนะมันก็ไม่เชื่อแต่สิ่งที่เราเมาปฏิบัติะเราฝึกให้สตินะ่ะเป็นตัวเตือนไม่ใช่เป็นการสอนตัวเองนะแต่ไม่ใช่เป็นการพู่เทศสอนตัวเองนะมีหรือมีคนมาสอนเรานะ แต่สติมันจะเป็นตัวเหมือนทําให้เรารู้ทันสิ่งที่มันทําให้เกิดสิ่งที่ผิดปกติขึ้นในกายในใจแต่สิ่งที่ผิดปกติขึ้นในกายเนี่ยบางทีมันก็เกิดเพราะเพราะเรียกว่าอะไรธรรมชาติของร่างกายตามสภาพของของรูปพรรณของร่างกายขึ้นทีอยากจะมากับทั้งแบบมีลมในก็ ลมก็ดันสุ่มก็ช้ำเหมือนมันก็คือมันก็มีทารรมชาติบางอย่างที่เราก็ไม่ต้องไปเอาเหตุผลมาตอบก็ดูแลมันไปตามที่มันที่มันจะดูแลได้ดูแลไม่ได้ก็ปลอแต่ก็มีร่างกายบางส่วนที่ถ้ามันผิดปกติอยู่ดีๆเน้นนั่งฟังําไม่เป็นอะไรนะแต่พอยกมือมันเริ่แน่นนะเนี่ยมันก็จะบอกใช่ไหมว่าทําไม ทำไมนั่งฟังดีๆพอมายกมือมันแน่นพอเรายกมือมันไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไอ้วันนี้ก็แสดงว่าเราทําอะไรผิดปกติไปใช่ไหมมาเดินจงกรมทําไมมันเป็นทําไมมันเมื่อเห็บแบบนี้นะเดินอสวนสานะเดินในห้าเดินแล้ตลอมาหลายชั่วโมงไม่เป็นไรนะมาเดินจงกรมขึ้นชั่วโมงนะจะเป็นจะตายไม่ได้นะ ข้ออะไรใช่อันนี้คือร่างกายมันก็ฟ้อบเรานะว่าเราอาจจะเราคงวางใจหรือเราทําอะไรที่ผิดปกติไปร่างกายเขาฟองสติเป็นตัวรับรู้นะสติเป็นตัวรับรู้นะรับรู้ว่ามันผิดปกติอย่างไรนะเราก็จะเออมันก็จะค่อยค่อยปรับนะมันรับรู้แล้วเราก็จะปรับอ มันแน่นไปมันเกร็งไปมันตึงไปก็แปลว่าเราจริงจังไปแล้วก็ขวัญความจริงจังไปใช่ไหมไม่เนี่ยมันไม่จะมี็นตัวเตือนนะมาเมื่กี้ก็จะย้ำว่าเมื่อกีภาวนาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาจิตของเราไปเพ่งไปอยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่นหนึ่งเพราะมนนั้นเราจะดึความรู้สึกหรือตัวพร้อมของร่างกายเวลเรายกมือเอง เราไม่ใช่ส่งินมาอยู่ไม่อยู่ที่มือประกอบที่มือเวลาเราจเดินเราก็ไม่ส่งจินมาอยู่ที่เท้าที่ขาแต่ความรู้สึกความรู้สึกตัวมันจะชัดในสิทน่ที่มันที่มันเคลื่อนไหวก็ดีมันสัมผัสไ ด, ด้มันชัดตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นมันเราจะรละเลยไม่สนใจนะมันคล้ายๆเหมือนเราดูทีวี ดูทีวีจอใหญ่ก็เล็กขนาดไหนเราก็ต้องดูโดยดูไปที่ตัวทีวีนะโดยตรงเมื่อมีเช่นเราดูหนังหนังในจอตอนน้อาจจะมีตัวละครอยอะสี่ห้าคนแต่ถ้าคนไหนมันพูดคนไหนเขาแสดงนะจิตก็จะไปเห็นไอ้ตัวนั้นเป็นหลักเราก็ดูที่ตัวทีวีแหละแต่พอไอ้คนนั้นพระเอกเขาพูดะเราก็ไปสนใจพระเอก พอนางเอกพูดเราก็เปลี่ยนมาสนใจนางเอกพอตัวร้ายพูดแทรกขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวร้ายเขาแสดงต่างจิตก็เหมือนกันการที่เรารู้สึกดูก็คล้องเหมือนเราดูทีวีทั้งจอแต่บางขณะมันมีบางส่วนที่มันเด็นกว่าแค่แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราขึ้นเราชอบแต่เพียงเราก็จะดูแต่เพียงเพีเงมันนั่งูซื่อๆก็มองไปแล้วคนี้ไม่สนเป็นอื่น อันนั้นก็เราก็จะไม่รู้เรื่องนะเราก็ไม่รู้เรื่องที่เขาแสดงอะไรเลยนะเราก็จะดูแต่หน้าเขาคนเดียวการที่เราดูร่างกายแล้วเจดจ่ออยู่จับแค่ส่วนใดก็เป็นเช่นนั้นพอร่างกายคนอื่นเขาเขาผิดปกติหรือมันมีอะไรมากระบนะแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้สึกเลยเ้าไม่สนใจเลยก็ไม่ใช่นะ พราความผิดปกติของร่างกายเขาแสดงให้เราเห็นว่าเราอย่าทำไรผิดนะทําไมถึงปวดหัวขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัติธรรมทาไมถึงแน่นหน้าอกในที่ปฏิบัติธรรมเข้ามาเตือนให้เรารู้ว่าเราไมนเจ้าไปใช่ไหมหรือบางครั้งเราอยู่ห้องแอร์นะมีลมแอร์มากระทบควารู้สึกเย็นขึ้นมาถูกกับร่างกายขณะที่เดินไปใกล้แอร์ มันก็เป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติเราไปเดินอยู่ทินทะเลเห็นนะเท้าสัมผัสกับผืนทรายนิ่มๆเย็นๆอบสบายะลมจากชายทะเลมาพัดตัวเราสบายคือนกายก็รู้สึกถึงการสัมผัสจิตใจก็รู้สึกถความสบายแต่เป็นแค่รู้สึกนะอยากไปกินกับในผืนทรายก็ดี ดีืยากไปอินในความสุขความสบายก็ดีแต่เราก็รู้สึกได้น้ำร้อนมาำกระทบกนะรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ชอบเราก็รู้สึกโดยทำในชาตินี่แหละการรู้สึกตัวจริงๆคือรู้สิกที่เกิดขึ้นกับตัวอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ว่าจะเป็นการเหยียบลมไปลมกระทบมา แดดกระทบตัวรวมทั ài, <ừ. S 1> like. ้งความรู้สึกข้างในนะไม่ว่าจะชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์เฉยหรือคิดนี่คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีเกิดขึ้นกับจิตใจพอดีให้เรารู้สึกอย่าที่เข้าไป็น้นแน่นอันนี้คือการมีสติมันจะเห็นแบบนี้พอเห็น เห็นเรารู้สึกได้แล้วก็ร่างกายเขาเดินเขายกมือเขาทาอะไรก็ได้มันเป็นตัวหนึงนะจิตใจที่มีสติเนี่ยเป็นผู้เห็นร่างกายร่างกายก็นั่งรู้สึกไหมร่างกายก็นั่งอะไรเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายก็พูดไม่ได้ใช่ไหม มันต้องมีอะไรไป็นตัวรู้ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ค่อยๆค่อยๆดูแบบเนี้ยครับร่างกายเขาเคลืนไหวเราก็รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยๆแต่บางครั้งสังเกตไหมพอท่านใจเราไปคิดอย่างอื่นหรือไปสนใจอย่าง อ, างอื่นเราก็จะม่รู้สึกถึงร่างกายที่เคลนไหวไม่รู้สึกว่ า, าร giờ, เรากำลังนั่งอยู่ใใคล้ายๆเหมือนเราฝัน ฝันอาจจะวิ่งได้ก็ได้บังทีร่างกานนอ น, นอนความฝันมันทำให้เรากินนานการไม่พุ่โตอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ความจริงเพราะนั้นบางทีอย่างหลวงพ่อเทียนนะหงพ่อกรเขียนบอกว่าการมีสติการปฏิบัติธรรมมันคือการการพบเห็นไม่ใช่การคิดเห็ น, นคือเนี่ย การพบเห็นเนี่ยเช่นสมมติมือเราวางไว้ที่เข่ามันพบเห็นแต่สมมตถ้ามือเรายกอยู่แล้วเราเราคิดว่ามือเราอยู่ที่เข่าอันนั้นคิดคิดใช่ไหมเราคิดเนี่ยเราคิดว่ามือเราอยู่ทีงหลังแต่จริงมือเราไม่ได้อยู่ที่หลังใช่ไหมเราพบเห็นว่ามือเราทําอะไรอยู่พบเห็นว่าร่างกายกาลังหน้างไม่ใช่คิดว่า กำลังเดินรวมทั้งในขณะที่เราทําจริงๆก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดว่าเรากำลังยกมือเรากำลังเอามือวางไม่ที่เขาเรากำลังจะยกมือขึอ้นพบเห็นคือสัมผัสเลยสัมผัสเช่นจับสัมผัสรับรู้นะในความรู้สึกนะั้นไม่ให้คิดนะไม่ในชะ่อะไร อะไรก็สัมผัสก็รู้สึกไปเลยนะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือสัมผัสสัมผัสกับสภาวะที่ปัจจุบันตอนนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราสัมผัสรับรู้มันไม่ต้องคิดเลยะยกขึ้นเลยรู้เลยวางลงรู้เลยยกขึ้นรู้เลยะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบคล้ายๆไป หยุดนิดนึงแล้วก็ค่อยรู้นะฮะหว่ามันเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บตอกพุ๊บรู้ปั๊บครูบาอาจารย์ท่านบอเนีน่ยบางทีวิธีภาวนาเนะนะี่อรู้ปับ๊บรู้ปั๊บเรู้ทันทีเป็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันไร่ทตรวมทั้งในพอเราเราทาแบบนี้ไปเรื่อย น, นะปุ๊บเคลื่อนปนะุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บต่อไปนะมันคิดปนะุ๊บเราก็รู้ปับป๊บเ พอมันเผิดอวิคิดปุ๊บน่ะอารู้ปักทันทีไม่ใช่แบบโอคิดไปตั้งนานแล้วค่อยดูอันนั้นมันมันช้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่นั่งสตาธิเราเร็วปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปักทันทีนะมันเหมือนมันเหมือนคล้ายคลฟองฟองอากาศนะมันเด็กเป่าฟองอากาศปุ๊บนะพอเข็มไปเจ้าะปุ๊บแตกปักทันทีนอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนตอนคิด ออกมาจากไหนกันก็พอเราเห็นปั๊กนะก็แตกทันทีมันหยุดทันทีมันหายไปทันทีนะความคิดจะดีความโกรธความโลภความหลงก็ดีนะเมื่อสติงเราเห็นปั๊กนะมันหยุดทันทีไม่อยากใมันหยุดนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมันนเป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เับฝึกนะสติในการรู้กายบ่อยๆ ต่เวลาคิรู้ทันก่อนคิดรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจได้เรวได้บ่อยเหอนกันเราก็จะเห็นอะไรเห็นกิเลสเห็นธรรมะที่เห็นกิเลสเยอเห็นธรรมะนะบางคนที่ว่าเราต้องไปเห็นตะวันเห็นความสมงบเห็นความสุขเห็นความสบายเด็กจะบอกว่าเห็นธรรมะก็คือเห็นกิเลสเองนั่นแหละ เห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละที่เห็นธรรมะเมื่อไรที่มันโกรธเราเห็นความโกรธนั่แหละที่เห็นธรรมะเมื่อไหไรที่มันหลงไปคิดเราเห็นความหลงไปคิดนั่นแหละที่เห็นธรรมะเมื่ออะไรที่เราสนใจไปดูอะไรสักอย่างเห็นใจไหลออกไปอันนั้นคือเห็นธรรมะเห็นกิเลสที่มันเม่เห็นปุ๊บนะ ที and and please, ่เด e ่นหยุดตะเทียนะนอกจากบางครั้งกาลังสติมันมันมันอ่อนไปเห็นแล้วมันก็เลยถูกกลากไรแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเราไปเห็นแบบไปเกลือเกลือความอยากมันก็เลยไม่ใจไม่เป็นกลามไม่ใมันเห็นบางอย่างเราใจไม่เป็นกามจริงๆนะมันเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเส้นโนล่ ใจมันไม่ชอบ c o n t r o แต่อยากให้ c o n t r มันหายไปเห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นด้วยใจไม่ดึงตาเมื่อไรจะหายโก n t นะเ่วงเหมือนกันเมื่อไรจะหายนู่นสงสัยเมื่อไรจะได้ถามเมื่อไรจะรู้สึกเพียร์นะฮะคือใจมันมันเกลียดกิเลสเกลีความอยากที่อยากอยากจะให้มันหายไปหรืออยากให้มันอยู่นานๆความส o n เกิดขึ้นมาก็อยากให้มันอยู่นานๆ นั่นสิ่งสำคัญนะครูใบจังก็บอกว่าให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อไม่ใช่รู้แบบซื่อๆไม่รู้อะไรนะไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนเขาครูว้ดดอนมาณัฐฟังภาษาจีนที่เก่งหรอกนะเข้าคู่กันแล้วก็นั่งฟังผูู้ซื่อๆแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะนั่งเหมือนทําเป็นรู้เรื่องนะรู้อันนั้นแบบรู้แบบซื่อๆนะไม่รู้เรื่องอะไร แต่รู้สื่อเนี่ยรูเรื่องทุกอย่างอยู่รู้ทั้งคนอื่นเขาพูดอะไรรู้สึกอย่างไรเราก็รู้ทั้งความหมายเราก็รู้ทั้งอารมณ์เราด้วยแล้วเรารู้สึ่งไรขณะที่มันเกิดขึ้นนะความซื่อในที่นี้คือความความนิ่งในการที่ไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะต่างๆโปวดก็ปวดไปติไม่ต้องไปทําอะไรก็แค่เรื่อยโกวดอยาก ก็รู้่มันยากนะอืมก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพ่แค้รื่องมันอยากตรงนั้นอืมมันคิดก็รู้ให้รู้ว่ามันคิดรวมทั้งมันสุขก็ดีมันทุกข์ก็ดีก็แค่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์นี่คือรู้สึกรู้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรตึกแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าจิเลสนี่แหละมันคอยชวนเราไปทานั่นตอนนี่มันอร่อย มันก็อยากจะกินอีกี่เยอะนะมันคือกิเลสชวนนะมันก็ไม่อร่อยแต่ก็ยังเดือดนะแต่ก็ไม่อยากกินนะีคือใช่ไหมเหมือนเมื่อวานคนดอกไม้นั้นสวยนะอยากจะถ่ายรูปใช่ไหมนั่นมันก็ดอกนะถ้ามันไม่มีสติกนะใช่ไก็อาจจะบอกไปถ่ายแล้วพอมีสติกปุ๊บมันเลยหยาบแต่เดอดพ่ก็บอกว่าอก็เป็นครั้งแรกนะถ้าเป็นปกตินนะ ถ้ามันอยากเนี่ยต้องไปทํามันสําเร็จไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พอผ่านไปสักพักหนึง่งเออ ม, มันไม่ไปทําก็ไม่เป็นไรละใช่ไหมความอยากที่อยากจะไปถ่ายรูปพอผ่านไปสักระยะหนึง่งพอไม่ไปทํานะมันก็หายได้เหมือนกันนะนั่นสิ่งสําคัญนะให้เรารู้สึกคืออาการที่เกิดขึ้นอาการของตายก็ดี รู้ซือมันปวดมันเมื่อยก็รู้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำอะไรนะเก็เพียงแค่ปรับร่างกายให้มันให้มันไม่ไม่ทรมานมากขนาดนั้นเดดใจให้มันซื่อก็คือว่าไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่จะหายปวดหรือไม่ต้องไปคิดเมื่อไหร่จะหายง่วงไม่ต้องไปคิดว่ า, ไ, า, ไ, ม ไ, ม ไ, วาไม่อยากง่วงแต่คนเจิตวัวนะแล้วมาปฏิบัติธรรม เดี๋ยวไปกินกาแฟเยอะก่อนอย่ามันจะง่วงแต่เนี่นนะคือกลัวกลัวว่ามาันจะง่วงก็เลยต้องไปแก้มันก่อนนะถึงทีมันวัาาน่วมากๆกลัวไม่สบายกลัวไปทํางานไม่ได้พ อ, พอแล้วนแค่นี้แหละพอแล้วคําคิดนะมันหลอกเราจะพึ่งเชื่อมันจะพึ่งเชื่อความคิด เอี่ยเพิ่งด่วนตัดสินะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดูไปก่อดูไปก่อเราดูไปเรื่ยจะด่างกายมันจะบอกเราเองแหละร่างกายไม่ไหวมันก็จะบอกเราดีเราก็ดูไปเรื่อยๆรวมทั้งอย่าไปเชื่อความคิดเวลาอารมณ์มันสั่งครับเวลาไม่พอใจระดับลูกน้องทาไม่ถูก ลูกทำไม่ดีนะกระดังตัวอเดี๋ยวต้องรีบไปว่าต้องรีบไปตาไม่งั้นเขาจะไม่จำหรือเขาเขาพุกเขาก้องไหยแล้วก็ยังไม่เข็ดหรยไม่พอเนยเยเอาให้มันจำเลยไะเขาก็จำล้วนะแต่เราคิดว่ามันต้องจำให้มันแบบินบรรไดเราเอามันหนักกว่านี้นะ แต่จริงนะเขาก็ทุกนะเราก็ทุกเนี่ยคือบางทีเราเวลาเราโกรธเวลาเราไม่ชอบนะก็จะรีบไปทำตามมนะันหรือเวลาเราอยากนะเราก็จะรีบไปทำตามมนะันเนาะเป็นเพื่อสวยเพื่ออยากก็ อ, อยากซื้อพอกลับมาบ้านซื้อมาทําไอซื้อจะได้ใช้ต่อไหนเนะวลาอารมณ์เกิดขึ้นนะมันจะรีบ ใ, ให้เราทําตาม ถ้าจะมีตัวช่วยนิดหนึ่งน่โยงนะอย่าเพิ่งทําตามนะกทำคลิปนี้ก่อนทำคลิปก่อนนะเวลาโกรธเวลามันอยากได้อะไรกลับไปคลิปกลับไปคลิปนี้ก่อนกลับไปโดนจุดโก่อนอืามันจะเป็นแบบไหนมีโยงคนหนึ่งนะเขาเป็นคนบ้านข้ามไปหวานก็อยู่กับ ก็ไปที่วัดตุวะทองที่หมวงข้อคนเขียนท่านดูแลอยู่หลวงพ่อก็สร้างศูนเด็กๆที่ตรงนั้นเลยโยมแต่เขาบอกก็เป็นเด็กๆในหมู่บ้านพ่อแม่ก็มาฝากฝูนเด็กๆตั้งแต่เด็กก็พูดกับหลวงพ่อวันหนึ่งมีงานมัดธุระทองน่าจะเป็นเหมือนแห่หน้าอะไรอย่างนี้เนาขาก็มีเครื่องดนตรีแห่รอบหมู่บ้านเด็กนได้ยินเสียงดนตรีก็อยากไป แต่อยู่ว so ัดก็ได้ไปขอออร้องหลพ่อขขอองหลพ่อหลวพ่อตักคองขอไปไปไปไปร่วมงานแห่น้าของเาครับหลพ่อบอกเดี๋ยวก่อนไปนะไปเดินจุดกลมสักร้อยรอบก่อนมันเด็กก็ไม่คิดอะไรนะก็ถ้าเดินก็เดินเด๋ยวพ่อก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยไม่ด้ห้ามให้ไป ก็ไปเดินยืนกรมลอยลอเดินจืนกรมปล่อยลอยลอดก็มาบอกหลวงพ่อว่าไม่อยากไปแล้วครับคือมันรู้สึกเออไอความอยากที่จะไปตอนแรกหลวงพ่อเขไม่ได้ห้ามหรือไม่บอกว่าให้นี่ไปไปเดินยืนกรมก่อนลอยลอพอเดินก็อิจมันไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปก็อยู่ที่วัดคือนะเวลามันมีอารมณ์อะไรที่มันแปรปรอน เ ด, Lust. ดินเงินคแต่ไม่ใช่เดินคือเดินเงินคนก็คือมาอยู่การเดินนะไม่ใช่เดินไปเมื่อไรจะครบร้อยรอบนะเดินไปก็คิดถึงแต่เรื่องที่ที่อยากจะทำนะฮะเดินเงินคนก็คิดถึงแต่คนที่เราโกกลับมาเดินก็คือกลับมาอยู่ของการเดินนะเหมือนเราสงสัยเหมือนเราโกรบอกให้กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับมือที่ย์ทิพงทีเราก็ไม่ก็อยาก จิตมันจะวนเวีนหาเหตุผลหาเรืงราวมันกลับมาก็คือกลับมาอยู่ระมัดจริงกลับมารู้สึกตัวกลับมาตั้งหลักใหม่กลับมาทักทำให้ใจมันนิ่งทาให้ใจมันเป็นกล า, างกับสภาวะต่างๆแล้วเมื่อ น, นั้นแหละเมื่อสติมันเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้นตามมาปัญญามันเห็นเองว่าอ้ความอยากเมื่อกี้นะ มันก็ไม่เที่ยนเมื่อกี้มันอยามมากมากมากทำไมหายยาบแล้วเจะอ้อเราจะเข้าใจควาไม่เที่ยนไม่ใช่เข้าใจเพราะเอามาเพิ่มีแต่เราจะเห็นอารมันไม่เที่ยนทีวอะไรเมื่อกี้มันอยามพอมาเดินชครร้อยรอบมันไม่อยามอีกแลวเมื่อกี้เดินป่าห้างเห็นไอ้คนเจ มันเกลียดเลยนะอยากจะซื้อแลนะตอนกับมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะมอยากหรือเปล่าเมื่อวานอยากซื้อเรงนะนนะก็มาปฏิบัติธรรมมันไม่อยากแนละ้วของเก่ใช้ได้อยู่ก็จะเห็นเองอยความโกรธเองก็เหมือนกันลอาดูดีๆนะมาพูาที่จริงความโกรธนะมันเหมือนฟไฟม่ตรไฟมันเกิดเร็วเต็มันก็หายเร็ ไม่แต่งออนนะที่หนึ่งไปทําอะไรยังดี๋ยวมันเหมือนไปไม่ได้แต่ความอยากความอยากอาจจะ ด, ดูดูละเอียดดูแรงกว่าแต่ตัวหนึ่งตัวที่มันยากคือตัวของโลงชอบดอกไม้สวยมันก็นา่ามันก็ได้ชอบนะมันก็สวยแต่ดีแต่เราชอบกินแค่รู้ว่าุกวมันสวย หรือเราลงไหลเราติดใจมันใช่ไหมหรือไม่แต่เด็กนะก็น่ารักนะหรือเราเห็นหยที่วันนะหมาเด็กนีชอบไปเล่นกับหมามากมันก็มีความสุขมันก็สนุกในการไล่กับหมาก็เป็นความเพลินก็มัน่ารักแต่ก็จริงนะอืมบางครั้งนะ เราก็รักเด็กบางครั้งเด็กคือเราก็ไม่รักมันเหมือนกันนแหละหมาเราเล่นกับมันมันก็ดีเต้นไปนานๆมันสลำคาญก็ตัดมันก็ควรก็ได้นะมันไม่เที่ยงหรอกนะอารมณ์ของสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเราก็จะเห็นก็ตูมัน่ะดูเฟซมันจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นแบบนี้ออกมาแบบนี้เนาะที่จริง เราดูม uhm. ันแบบนี้ก็ได้บางครั้งดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพีพอเห็นคนนะมันถึงว่าเช่นเวลาเราไปเดินที่ห้างก็ได้เดินที่ตลาดก็ได้จะเห็นอะไรสักอย่างไหมนะเฮ้ยมันอยากได้เห็นคนบางคนทำไมคนนี้ไม่ถูกจัตาเลยอืมหรือได้กลิ่นอะไรขึ้นมา ทำไมมันหยิงเลยนะดูมันแบบนี้ก็ได้นะพูดอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมาเห็นกระชายอยู่ดีก็อยากได้ขึ้นมาเห็นใครตะโกนว่าทำไมมันไม่ถูกเคตาเลยหรือตอนนี้ทไมโดนรู้สึกตุ้นมากหรือได้กลิ่นบางอย่าเพราะทำไมมันหิวขึ้นมามันอยากนะดูมันเลยว่ามันมอยู่ดีมันก็บุกเข้ามา ปุ๊บก็มาข้างในเนี่ยคืออะไรมันเกิดของมันเองเนี่ยดูแบบนี้ก็ได้นะปุ๊มันเกิดของมันเองไม่ต้องมาไปเอาผีเอาคนนะทําไมมนถึงเกิดแต่ให้ดูว่าเขาเกิดของเขาเองเขาเป็นอนัตตาบังคับบัญชาเขาไม่ได้มันจะรู้สึกอย่างใรมันจะคิดอย่างใดไม่สําคัญนะ ไม่ใช่ว่าเราคิดบวกดีกว่าคนคิดลบนะนะเราคิดมีสาระดีกว่าความคิดที่ไม่มีสาระอันนั้นถ้าถางโลกเราจะมองแบบนั้นก็ดีกว่านะมีประโยชน์มากกว่าแต่ในทางธรรมะนะเราจะมองทั้งด้านบวกหรือด้านลบทั้งที่มีสาระหรือไม่มีสาระมองเป็นสิ่งที่เสมอภาคกัน คือเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ก็แค่รู้นนในมในการปฏิบัติทรมันจะว่าถ้าภาวนาเป็นนะง่ายเพราะมันไม่ต้องไปใช้สมองไปแยแกแยะอะไรไม่ต้องไปใช้พลังงานในการจัดการอะไรถ้าภาวนาเป็นอินแต่หน้ามันก็แค่รู้ไม่ต้องทำอะไรแต่ ความเคยคินที่อยากจะไปจัดการหรือกิเลสที่มันชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้มันก็อยากจะไปชอบก็อยากจะให้อยู่นานๆไม่ชอบก็ไม่อยากเจอกิเลสตัว น, นีน้มันทําให้เราเหนื่อยดูแบบนี้ก็ได้นะตอนที่มันอยากจะไปจัดการไม่ได้อย่างที่ต้องการมันเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เคยชินหนึ่งของของทุกข์ราะนะ เวลามันโกรธอ่ะเหนื่อยไหมเราเหนื่อยไหมเราทุกไหมนีะหรือเวลาเราอยากจะจัดการอะไรหมันดีนะต้องไปจัดการคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้มันเหนื่อยไหมมันทุกไหมจัดการนั่งไม่ได้ใครทุกเราทุกเนี่ยดูมันแบบนี้ก็ได้ใช่ไความโกรธเป็นทุกไหมความอยากได้ เป็นทุกข์ไหมความอยากให้มันถูกต้องอย่างที่เราต้องการมันเป็นทุกข์ไหมดูแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเราเห็นนะเห็นความไม่เที่ยงที่เขาเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเห็นมาเกิดของเขาเีอะไรก็เลิกทําให้มันเกิดเป็นอนาตาเห็นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาจิตแจมัเป็นทุกข์บางทีก็ร่างกายก็เป็นทุกข์ไปด้วย เนี่ยเรียกว่าเห็นไปแล้วเห็นใปลักนั่นแหละคือมีปัญญามีปัญญาปุบเมื่อมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วนะก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันไปทําต่อนะมันก็จะปล่อยมันก็จะวางมันเองไม่ใช่เป็นการไปคิดวางแต่มันจะมันพุ๊บหนิมันก็วางมันเองมันเราแบกได้มันหนักไม่จำเป็นต้องแบกหรือวางมก็วาง มันร้อนี่ว่ากว่าที่มันบังคับไม่ได้เนี่ยเล้ว็จะไปบังคับมัทำไมเห็นไหมมือนเราจะเปไปบังคับดิงหรือแบบดึงต้นไม้ไม่ให้มันปีนต้นนั้นต้นนี้ยู่ได้บังคับไหมไม่บังคับดึงในใจเราทำไเช้าไปบังคับเราเกินรู้จักไหมดึงในใจบอกแวกเรื่อยๆนะคิดนั่นคิดนี่นะอยากนั้นอยากนี้ ไม่ต่างใจดึงเลยธรรมชาตินะอย่างก็ปี น, นต้นนั้นต้นนะี้ทำนั้นทนํานี้ในใจ ก, ก็แค่ดูมันอูถ้าเราแค่ดูมันเล่นๆนะสนุกนะสนุกรู้สนุกเขีนนังพ่อลงเขีย น, นะ น, ยนอันนี้ตั้งชื่อเลยสนุกรู้สนุกนะเขียนนะสนุกรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นะสนุกในการเขียน ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนะสนุกนะมันเป็นความสุขมันเป็นความเพลนแต่ไม่ใช่ติดใจนะประตาวจะแบบแน่นๆนิดนึงแต่คือมันเห็นกิเลสแล้วมันสนุกภาวนาไปถึงจุดนึงมันจะมีความเพียรมีความขยันเองนะมเมื่อมันเหตนนะแบบโอ้โอทามันเห็น่างนี้นะเนีอยเห็นมันสนุกมันเพียรเลย ไม่ต้องมีใครมาบังคับแล้วนะถ้าได้อะไรนะ่ะทําคนเดียวก็ทํำอยู่กับเพื่อนก็ทําว่างอะไรก็ทำไม่ต้องมีใครมาเตือนมาย้ํามาให้เราทํานะถ้าเราทําแบบนี้ได้นะจะดีมากๆอืเพราะว่าถ้าเราเริ่มเจอการทั้งนึงเนี่ยกนะ็ <c oughs> น้อยนะน้อยมาก อ, อืแต่ถ้าเรา มีสติแล้วก็ได้อารมณ์นในการภาวนาเนี่ยมันจะขยัขนธรรมดาเองขยันในการภาวนาขยันในการเห็นเหนะตุที่เกิดขึ้นมา่ะในใจมีใจสงบดูมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันง่ายจริงๆง่ายไปเร่ยเนะก็ดูแบบนี้นะดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสงกมันจะเกินนะเราต้องทําเอานะเราต้องทําเอาเราเดืดรู้เอนอ๋อ ทำมากนะนะมันเป็นแบบมันมันเกิดสภาวะพวกนี้ขึ้นมาแต่ติดงสำคัญนะก็อย่าไปอย่าไปเพลินจนลืมเงนล้วอลืมตัวบางทีก็เพินนะ่ะเพินจาการดูมากเกินไปนะ่ะก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอไม่ทํางานก็มีนะกนะนะ็ต้องกําบมาไหนกะําบมาหาทางกายบ้าง ให้มันได้พักบ้างบางทีมันไปเพลินดูอารมณ์ดูความคิดดูทั้งวันทั้งคืนตีก็เหนื่อยเอะนี่ยก็ทําบมากลับมาดูร่างกายติดเฉยบ้างเป็นการพักบ้างเบรคบ้างเหมือนเราทํางานใช้ความคิดประชุมแบบนี้นาะดีปัะชุมวันนึงไงสามสี่ทั้งเนะเป็นพักก็มีประโยชน์นะโยลดเวลาสอนเลยนะบางวันตอนเส็จไปประชุม สมองก็เเดิืนกันเองคือเราต้องใช้ความคิดนะในการพูดในการสอนในการแต่พอมาทำเฉยๆนะมันสบายสบายก็บางทีก็ต้องพักพักนะพักกับการเคลื่อนไหวไม่ต้องไปรู้อารมณ์ความคิดบ้างก็ได้แต่พอมันพักคอมันจะไปรู้ตรงเอง ม, มันจะกลับไปรู้ อารูร้ความคิดรูอะไรประมาเีงแต่ถ้าบางคนพักตลอดนะไม่สนใจอารมณ์ไม่สนใจความคิดเลยนะมันก็ไม่ค่อยก้าวหนา้าก็ต้องออกไปทำงานนะก็ต้องไปดูสภาวธรรมไปดูกิเลสที่มีเกิดขึ้นมันจะได้เห็นธรรมะจากตรนั้นนั่นแหละนะก็ปากไว้นะในเชาวันนี้